นี่มาขึ้นสายปุตเทรคถาต่อเนี่ยนะในหน้าสองร้อยห้าสิบเก้าที่ภาษารโบุตรกล่าวว่าคือท่านชักชวนท่านพระมหาโมคลานะเนี่ยขออาศัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะพระมหาโมคลานะเป็นผู้ประเสริฐด้วยฤทธิ์ส่วนภาษารโบุตรก็เป็นผู้ประเสริฐที่สุดด้วยปัญญา เราทั้งสองก็ร่วมกันทำศาสนาให้งามนะทำพระพุทธศาสนาประกาศไตรสิกขาช่วยเหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัตรทุกข์นั่นะเรานี่มีความลำริยังไม่ถึงที่สุดหมายาว่ายังไม่สมความปรารถนาที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะจึงท่องเที่ยวไปในลทัทธิผิดเพราะได้อาศัยทัศนะของท่านความดาริของเราจึงเต็ม สมัยที่ไปเที่ยวในรัฐที่ต่างๆก็มีความเห็นผิด น, นะไปต่างๆเนี่ยนะแต่เพราะได้อาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ที่ปรารถนาเป็นอัครสาวกก็สำเร็จต้นไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินมีดอกบานตามฤดูกาลส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอย่างสัตว์ทั้งปวงให้ยินดีฉันใดข้าแต่พระมหาวีระสากโยรสผู้มียศใหญ่ ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นดำรงอยู่ในาศนาสนธรรมของพระองค์แล้วย่อมเบ่งบานในสมัยข้าพระองค์สแสวงหาดอกไม้คือวิมุตเป็นที่พ้นพบสงสารย่อมยังสัตว์ทั้งปวงให้ยินดีด้วยการให้ดอกไม้คือวิมุตดำรงอยู่ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เลยเบิกบานเบ่งบานเต็มที่นะโดยเฉพาะ วิมุตต์วิมุตต์ก็คืออรหัตผลวิมุตต์ของท่านเนี่ยแบ่งบานเต็มที่ท่านข้ามพบโกรธาสงสารแล้วขณะเดียวกันท่านก็ยังช่วยให้สัตว์อื่นๆเนี่ยแบ่งบานด้วยดอกไม้คือวิมุตต์ด้วยนะข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุเว้นพระมหามุนีแล้วตลอดพุทธเขตไม่มีใครเสมอด้วยปัญญาแห่งข้าพระองค์ผู้เป็นบุตรของพระองค์ท่านมีปัญญารองพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ สิทธิและบริษัทของพระองค์พระองค์แนะนําดีแล้วให้ศึกษาดีแล้วฝึกแล้วในอุบายเครื่องฝึกจิตอันสูงสุดย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อสาวกคือผ้าอรหันท์ทั้งหลายใช่ไหมพระองค์จะเด็จไปที่ไหนก็มีผ้าอรหันท์ห้าร้อรูปบ้างพันรูปบ้างติดตามพระพุทธเจ้านะอันผ้าอรหันท์แต่ละองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งสอนด้วยสังวรวินัยปหานวินยันนยเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ให้ศึกษาในตรัยศึกษา ฝึกด้วยอุบายคืออริยมรรคก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมติดตามแวดล้อมพระองค์ท่านเหล่านั้นเพ่งฌานยินดีในฌานเป็นนักปราดมีจิตสงบตั้งมั่นเป็นมุนีถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อผู้มีปัญญาทั้งนั้นนะที่แวดล้อมพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มักน้อยมีปัญญาเป็นนักปราด มีอาหารน้อยไม่โลเลยินดีทั้งราบและความเสื่อมราบแวดล้อมด้วยพระองค์ทุกเมื่อคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมเลยนะสาวกที่ติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายในโล ก, กธรรมท่านเหล่านั้นถืออยู่ป่าเป็นวัดยินดีในทุ ด, ดงคือเครื่องขัดเกลาเพ่งฌานมีจีวรเศร้ามองยินดีในกายยวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะเป็นนักปราดย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในผลเป็นพระเสขะพรั่งพร้อมด้วยผลหวังประโยชน์อันอุดมคืออรหั ต, ตผลย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อนี่ก็กล่าวถึงผู้ที่มีคุณธรรมที่ติดตามห้อมล้อมพระพุทธเจ้านะว่าท่านเหล่านั้น่ะเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยทางกายของท่านก็อบรมด้วยธูดงขวัตทางวาจาของท่านก็ดารงอยู่ในศีลเจริญสมถะวิปัสสนา มากน้อยในปัจจัยสีเนี่ยท่านเหล่านั้นติดตามพระพุทธเจ้าอยู่ท่านทั้งที่เป็นพระโสดาบันทั้งที่เป็นพระสกะทาคามีที่เป็นพระนาคามีที่เป็นพระอาา ร, ะระหันต์ปราศจากมนทินแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อนะอย่างในอนาปานาสติสูตรนะพระองค์ก็แสดงว่าเนี่ยในบรรดาสาวกทั้งหลายนะที่แวดล้อมพระองค์อยู่คือวันนั้นเป็นวันอุโบสถนะวันเพนเจมกระจ่างเป็นวันมหาปวารณาออกกัรชาเนี่ยนะ ผมก็ตรัสว่าสาวกเหล่านี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์นะนะเป็นนาบุญของโลกเป็นผู้ปฏิบัติดีเนี่ยสาวกเหล่านี้อ บ, บรมสติป 4, ัญสีสัมมาปัาน4อิทธิบาทสีอินรีห้าพละหโพชงเจ็อริยมัสมีองค์8สาวกเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอัปปามาญญาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบคาสาวกเหล่านี้เป็นผู้ที่อ บ, บรมพวกสมถะ ท, ทั้งหลายแม้กระทั่งอสุภะกรรมฐานเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็แสดงถึงความประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบอะ่ะ เพราะว่าผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านเหล่านั้นน่ะไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าอยู่แล้วท่านเป็นผู้ที่ติดตามแวดล้อมห้อมล้อมเคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าสาวกของพระองค์เป็นอันมากฉลาดในสติปัฏฐานยินดีในโพธิชงภาวนาทุกท่านย่อมแวดล้อมในพระพุทธเจ้าทุกเมื่อคำว่ายินดีในสติปัฏฐานก็คือท่านยินดีในการละสุภาพวิปลาดด้วยกายานุปัสนาสติปัฏฐาน ยินดีละสุขวิปลาดด้วยเวทนานุปัสนาสติปทานยินดีในการละนิจจวิปลาดด้วยจิตานุปัสนาสติปฐานยินดีในการละอัตาวิปลาดด้วยธรรมานุปัสนาสติปฐานท่้นการอบรมคุณธรรมของท่านเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นไปเพื่ออริยมรรตตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยมรรตตรัสรู้พันนิพพานนั่นแหละทัานท่านเหล่านั้นผู้มีคุณธรมรมแวดล้อมเพื่อประสงค์แก่ตรัสรู้อริยสัจดำเนินตามติดตามแวดล้อมพระพุทธเจ้า ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ฉลาดในอิทธิบาทยินดีในสมาธิภาวนาหมั่นประกอบในสัมมาปทานแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่ อ, อ น, น, นโอ้มีแต่ผู้ดีๆบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งกายวาจาใจเนี่ยนะติดตามพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นมีวิชาสามเมียพิญญาหกถึงที่สุดแห่งริศคือพระโมคคัลลานะถึงที่สุดแห่งปัญญาคือภาษาริบุรย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่ อ, อ พะ อ, องเนี่ยคือเว่าพะ อ, อง์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตทุกบาปกรรมทุกชนิดมีผู้ที่ทรงคุณธรรมเช่นนั้นติดตามพระพุทธเจ้าไป คิดดูว่าจะงดงามขนาดไหนนะถ้าเราได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาบุญของโลกพร้อมทั้งหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบบรรลุแทงตลอดคุณธรรมตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าได้ถวายมหาทานกับท่านเหล่านั้นได้เคารพได้กราบได้สการะได้นับถือได้บูชาได้พัดได้วีให้กับท่านเนี่ยนะโอ้อันนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขขนาดไหนถ้ายิ่งได้ฟังพระธรรมคําสอนของท่านได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อแทงตลอดมักผลตามพระองค์ท่านการปฏิบัติเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงข้าแต่พระมหาวีระเจ้าบรรดาศิษย์ของพระองค์เช่นนี้แหลหนอศึกษาดีแล้วหาผู้เสมอได้ยากมีเดช ร, รุ่งเรืองแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อพระองค์อันศิษย์เหล่านั้นผู้สำรวมแล้วมีตบะแวดล้อมไม่ครั่นคลามดังราชสีงดงามดุจพระจันทร์ ต้นไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วย่อมงดงามถึงความไพยบูรณ์และย่อมเพลิดผลฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้สักยบุตรผู้มียศใหญ่พระองค์เป็นเช่นกับแผ่นดินสิทธิ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นตั้งอยู่ในาศาสนาของพระองค์แล้วย่อมได้อัมรุตรผลเนี่ยนะก็จริงนะผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็บรุพระนิพพานกัน เหมือนกับต้นไม้ที่เจริญงอกงามเมนะ้นเห็นผลมาเดือที่ผลดกชันใดเนี่ยนะสาวกของพระพุทธเจ้าที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเช่นนั้นแม่น้ำสินธุแม่น้ำสรสศดีแม่นมสส้ำจันทภาคาแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาสระูและมห ah e, ีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปสู่สาครสาครก็รับได้หมด แม่น้ำเหล่านั้นย่อมละชื่อเดิมแล้วก็ปรากฏเป็นสาคอนนั่นเองฉันใดวันนะ้ทั้งสี่คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทั้งหมดก็ฉันนั้นบวชแล้วในาศาสนาของพระองค์ย่อมละชื่อเดิมทั้งหมดปรากฏว่าเป็นบุตรของพระผู้ทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้รมตามพระผู้ทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงจันทร์อันปราศจากมนทินโคจร อ, อยู่ในอากาศ รุ่งโรดล่วงโมมวลหมู่ดาวในโลกด้วยรัศมีฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นอันศิษย์เวทล้อมแล้วย่อมรุ่งเรืองก้าวล่วงเดชเทวดาก้าวล่วงเทวดามนุษย์ตลอดพุทธเขต ท, ทุกเมื่อะพระองค์ก็เป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองงามยิ่งกว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมวลสรรพสัตว์ทั้งหมดนะคลื่นตั้งขึ้นในน้ําอันลึกย่อมไม่ล่วงเลยฝั่งไปได้ เคลื่อนเหล่านั้นกระทบฟังย่อมเป็นระลอกเล็กน้อยเรียรายหายไปฉันใดชนในโลกเป็นอันมากผู้เป็นเดียรถีก็ฉันนั้นมีที่ทิดต่างๆ ต, ต้องการจะข้ามธรรมะของพระองค์แต่ก็ไม่ล่วงเลยพระองค์ผู้เป็นมุนีไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุก็ถ้าชนเหล่านั้นมาถึงพระองค์ด้วยความประสงค์จะคัดค้านเข้ามายังสำนักของพระองค์ก็กลายเป็นผงไปเนี่ยนะ กลายเป็นจุนไปนะก็ไม่รู้เอาทิฐิไหนมาต่อสู้กับพระพุทธเจ้านะถามว่าเอาความมืดชนิดใดไปต่อสู้กับดวงอาทิตย์ได้เอา้าสู้ไม่ได้แล้วความมืดทุกชนิดเข้าไปหาแสงสว่างก็หายไปหมดนั่นแหละเปรียบเหมือนดอกโกมุตบัวขมและบัวเผื่อนเป็นต้นเป็นอันมากเกิดในน้ําย่อมเอิบอาบฉาบอยู่ด้วยน้ําและเปลือกตมฉันใดสัตว์เป็นอันมากก็ฉันนั้นเกิดแล้วในโลกย่อมงามไม่อิ่มด้วยราคะโทสะ เหมือนดอกโกมุตไม่อิ่มด้วยเปลือกตมฉะนั้นสัตว์เกิดมาในโลกเหมือนบัวบัวใช่ไหมบัวไม่อิ่มด้วยเปลือกตมขี้โคลนขี้ตมมันนะสัตว์ก็ไม่อิ่มด้วยราคาและโทสะฉะนั้นเคยเคยชอบจนพอบ้างไหมเคยรู้สึกพอใจในความชอบแล้วเลิกชอบพอและเหมือนพอใจแล้วเลิกโกรธแล้วนะไม่พอเนี่ยนะเหมือนบัวที่มันชอบโคลนตมอย่างนั้นนะเนีไม่รู้จักอิ่มในความโลภไม่รู้จักอิ่มในความโกรธเลยนะฉะนั้น บหลวงเกิดในน้ำย่อมไพรโรดในถ้มกลางน้ำมันมีเกสรบริสุทธิ์ไม่ติดอยู่ด้วยน้ำฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นมหามุนีเกิดแล้วในโลกไม่ติดอยู่ด้วยโลกดังดอกประทุมไม่ติดอยู่ด้วยน้ำฉันนั้นเห็นดอกบัวเมื่อไหร่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแล ดอกบัวนี่ไม่เปื้อนน้าไม่เกิดจากน้ำและโคลนตมแต่ก็ไม่มีกลิ่นแห่งน้ำและโคลนตมอยู่ในนั้นเลยหอมระเรื่นพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นนั่นแหละไม่ติดด้วยน้ำไม่ฉาบด้วยน้ำหอมด้วยกลิ่นแห่งศีลเป็นต้นะ่ะเปรียบเหมือนดอกไม้อันเกิดในน้ำเป็นอันมากย่อมบานในเดือนกติกา ม, มาสเดือน11บเอนะไม่พ้นเดือนนั้นไปในสมัยนั้นดอกไม้น้ำเนี่ยบานฉันใดข้าแต่พระศักยะ มุนีพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นผู้บานด้วยวิมุติของพระองค์เน่นยนะสัตว์ทั้งหลายไม่ล่วงเลยศายสนาของพระองค์เหมือนดอกบัวเกิดในน้ําย่อมบานไม่พ้นเดือนกติกา ม, มาฉันั้น น, นะโดยมาเดือน11เดเือนสิบสอดอกบัวก็จะบานโดยมากใช่ไหมเปรียบเหมือนพญาไม้รังดอกบานสพรั่งกลิ่นหอมตลบไปอันไม้รังอื่นแวดล้อมแล้วย่อมงดงามยิ่งฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้น แบ่งบานแล้วด้วยพุทธยานอันพิสุสง์แวดล้อมแล้วย่อมงามเหมือนพญาไมา้รังฉนั้นนะถามว่าพุทธยานคืออะไรพระองค์นี่ย่อมงามด้วยยานในทุกขัดยานในทุกอ่นนะนี่ยานที่รู้ทุกอ่ะพระองค์นี่ย่อมงดงามด้วยยานที่รู้สมุทัยพระองค์นี้ยองง่ยย อ, ยอมงดงามด้วยยานที่รู้ทุกขานิโรธพระองค์นี่ย่อมงดงามด้วยยานที่รู้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์นี้ย่อมงดงามด้วยปฏิสัมพิทาสีเนี่ยนะ พระองค์นี่ย่อมงดงามด้วยอาสาธารณญานหกนะก็เรียกว่าพุทธญาณ14บสก็ญาณในอริยสัจสี่ญาณในอาสาธารณญานหแล้วก็ญาณในปฏิสัมพิทาสก็ญาณในอาสยานุสญาณอินทริยโปรปริยติญาณมหากรุณาสมัสมาบัติญาณยมกะปาฏิหานิยญาณสัพพัญยุตยญาณอนาวรณะญาณญาณในอัตในธรรมในนิรุตและในปฏิภาณเนี่ยพระองค์นี่ก็ บานแล้วด้วยพุทธยานเหล่านั้นพระองค์นี้ก็เป็นผู้ที่มีพิสุสอ์ผู้มีศีลเนี่ยติดตามแวดแล้อมเหมือนพญาไมา้รังฉนั้นเปรียบเหมือนภูเขาหิมมาวาหิมมาพานเนี่ยนะเป็นโอสดของปวงสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยของพวกนาคอาสูรและเทวดาทั้งหลายฉันใดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าพระองค์ก็ฉันนั้นเป็นดังโอสดคือเป็นยาของมวลสัตว์ข้าแต่พระมหาวีระเจ้า บุคคลผู้บรรลุวิชาสามบรรลุอภินญาหกถึงที่สุดแห่งฤทธิ์คือพระโมคคัลลานะเนี่ยนะผู้ที่พระองค์ทรงกรุณาพร่ำสอนแล้วย่อมยินดีด้วยความยินดีในธรรมย่อมอยู่ในศาสนาของพระองค์เนี่ยนะผู้ที่ถูกพระพุทธเจ้าสั่งสอนนะโดยมากก็ยินดีในธรรมคือยินดีในสมถะยินดีในวิปัสนาปฏิบัติสมถะวิปัสนาจนบรรลุอริยมรรค แร่ย ว, ว่าย่อมอยู่ในศาสนาตามโอวาสศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเปรียบเหมือนราชสีผู้พญาเนือ้อออกจากถ้ำที่อยู่แล้วก็เลี้ยวดูทิศทั้งสี่บัลลือศีหนาสามครั้งเมื่อราชสีคำรามเนื้อทั้งปวงย่อมสะดุง้งแท้จริงราชสีผู้มีชาตินี้ย่อมยังสัตว์เลี้ยงให้สะดุ้งทุกเมื่อฉันใดข้าแต่พระมหาวีรเจ้าพระองค์ในทรงบรลืออยู่ พสุธานี้ย่อมวันไหวสัตว์ผู้ควรจะตรัสรู้ย่อมตื่นหมู่มารย่อมสะดุง้ง น, นะพระพุทธเจ้าที่เวลาแสดงธรรมใช่ไหมสัตว์ที่พอมีอุปนิสัยมีบุญอันสั่งสมไว้แล้วพอฟังธรรมจากพระองค์ก็ตื่นตื่นที่ตรัสรู้อริยสัตว์นั่นเองส่วนพวกมารทั้งหลายก็สะดุงงง้งว่าือนกันข้าแต่พระมหาหมุนีเมื่อพระองค์ทรงบลืออยู่ปวงเดรธีย่อมสะดุง้งดังฝูงกา ฝูงเหี่ยวและเนื้อวิ่งกระเจิงไปเพราะราชสีฉะนั้นผู้เป็นเจ้าคณะทั้งปวงชนทั้งหลายเรียกว่าเป็นศาสดาในโลกะนะเจ้าหมูเจ้าคณะก็เรียกว่าอาจารย์นะผู้สอนนะ่ะท่านเหล่านั้นก็ย่อมแสดงธรรมอันสืบสืบกันมาแก่บริษัทข้าแต่พระมหาวีระเจ้าส่วนพระองค์นี้ไม่ทรงแสดงธรรมแก่มวลสัตว์อย่างนั้นะนะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนธรรมะแบบสืบสืบกันมานะไม่ใช่ พรงคนี้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายแล้วก็ตรัสรูโ้โพธิปัจขียธรรมด้วยพระองค์งเองแล้วนะตรัสรู้อริยสัจ ต, ตรัสรู้ส ต, ติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะทรงทราบอัธยาศัยกิเลสอินทรีย์พละและไม่ใช่พละทรงทราบ พ, พระผับุคคลอภัพผบุคคลจึงทรงบรรลือเหมือนมหาเมฆพระองค์นี้แทงตลอดอริยสัจ ต, ตรัสรูโ้โพธิปัจขียธรรมโดยประการทั้งปวงพวกเจริตนิสัยของสรรพสัตว์โดยประการทั้งมวลเนี่ยพระองค์รู้หมดอะ ใครมีจริตยังไงพอจะบรรลุได้ไหมไม่ไมบรรลุอันพระองค์เมื่อพิจารณาใครครวญก็แสดงธรรมบริษัทพึงนั่งอยู่เต็มตลอดที่สุดจักรวาลมีที่สุดต่างๆกันคีดต่างๆกันเพื่อจะตัดความสงสัยของบริษัทเหล่านั้นพระองค์ผู้เป็นมุนีทรงทราบจิตของบริษัททั้งปวงทรงฉลาดในข้ออุปมาตรัดแก้ปัญหาข้อเดียวเท่านั้นก็ตัดความสงสัยของปวงสัตว์ทั้งปวงได้ พระองค์เนี่ยตอบคำถามคำเดียวว่างั้นเถอะเขาฟังแล้วบรรลุอริยสัจโมสงสัยทุกอย่างตัดหมดแผ่นดินนี้พึงเต็มไปด้วยหญ้าด้วยไม้และมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหมดประนมมืออัญชลีสรรเสริญพระองค์ผู้นายกของโลกหรือว่าเขาเหล่านั้นสรรเสริญอยู่ตลอดกับพึงสรรเสริญด้วยคุณต่างๆก็ไม่สรรเสริญคุณให้สิ้นสุดประมาณได้พระตถาคเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้ ทุกคนเนี่ยนะทุกสัตว์ไม่ต้องทําอย่างอื่นนะสัตว์ทั้งจักรวาลทั้งทุกจักรวาลเนี่ยนะไม่ทําอื่นนะทุกคนเนี่ยชมพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็ไม่มีใครชมหมดสมสิ้นอย่างนั้นนะอย่าว่าเราเลยพระพุทธเจ้าด้วยการยังชมคุณไม่หมดไม่สิ้นนะนะเพราะพระพคุณเนี่ยหาประมาณไม่ได้ด้วยว่าพระมห ah, าชินเจ้าอันใครๆสรรเสริญแล้วด้วยกําลังของตนเหมือนอย่างนั้นชนทั้งหลายสรรเสริญที่สุดกับก็พึงสรรเสริญอย่างนี้สรรเสริญอย่างนี้ แคนที่จะชมพระพุทธเจ้าก็เอาอย่างนี้แหละเหมือนกับที่ภาษาริบุตรมายกย่องมาชมเชยนะถึงจะสรรเสริญหมดกี่กับกี่กับกี่กับก็สรรเสริญแบบนี้กันทั้งนั้นนะถ้าแหละว่าใครๆเป็นเทวดาหรือมนุษย์ผู้ศึกษาดีแล้วพึงสรรเสริญให้สุดประมาณผู้นั้นก็พึงได้ความลำบากเท่านั้นใครบอกแหมฉันจะต้องชมพระพุทธเจ้าให้จบไม่มีจบอะ่ะก็สรรเสริญได้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะข้าแต่พระผู้ศักยบุตรมียศมาก ข้าพระองค์นี้ตั้งอยู่ในศาสนาของพระองค์ถึงที่สุดแห่งปัญญาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่คิดดูนะเป็นผู้ฉลาดที่สุดจำนวนต่อพระพุทธเจ้ายกย่องพระพุทธเจ้าสรรเสริญชมเชยเคารพกราบไหว้บูชาอ้อนวอนแสดงว่าขนาดผู้มีปัญญาขนาดเนี้ยนะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีปัญญาเนี่ยขนาดไหนข้าพระองค์จะย่ำยีเดรถียังศาสนาของพระชินเจ้าให้เป็นไป วันนี้เป็นธรรมเสนาบดีในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าสากยะบุตรกรรมที่พระข่าพระองค์เนี่ยทําแล้วหาประมาณไม่ได้นะท่านทําบุญไว้เยอะแสดงผลแก่ข่าพระองค์ณที่นี้ข่าพระองค์เผากิเลสได้แล้วเหมือนดังกําลังลูกศรพ้นดีแล้วมนุษย์คนใดคนหนึ่งเทินทูลของหนักไว้บนศีรษะเสมอย่อมต้องลําบากด้วยภาระชั้นใดยนะ ถ้าแบกของหนักๆไว้บนหัวเนี่ยนะเคยเห็นพวกแบกปูนไหมแบกปูนแบกข้าวสารเนี่ยแบกอยู่บนหัวเนี่ยนะลบากกันนะอันภาระเขาต้องแบกอยู่ก็ฉั น, นั้นเราเนี่ยถูกไฟสามกองคือราคะโทสะโมหะเนี่ยเผาอยู่เป็นทุกข์ด้วยการแบกภาระคือพบแบกภาระคือการมาพบรูปพบอรูปพบท่องเที่ยวไปในพบทั้งหลายเหมือนถอนเขาสิเนรุฉะนั้น ตอนนี้ท่านปลดปล่อยว่างเหมือนกับถอนเขาสนเสนรุ่ให้ออกไปก็บัดนี้เราปรงภาระแล้วกําจัดภพทั้งหลายได้แล้วกิจสิหที่ควรทําทุกอย่างในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สากยะบุตรเราทําเสร็จแล้วนะนะแต่เรากล่าถอนถอนกิเลสถอนวัตตะถอนให้หมดเกลี้ยงในกําหนดพุทธเขตเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สักยะบุตรเราเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยปัญญา ไม่มีใครเหมือนเราด้วยปัญญาเราเป็นผู้ฉลาดดีในสมาธิถึงที่สุดแห่งฤทธิ์วันนี้เราปรารถนาจะเนรมิตคนสักพันคนก็ทําได้ท่านมีฤทธิ์ขนาดนั้นนะนะพระมหามุนีทรงเป็นผู้ชํานาญในอนุปุภพวิหารธรรมตรัสสัง่งสอนแก่เรานิโรธเป็นที่นอนของเรานะนะอนุปุภพวิหารธรรมก็คือธรรมะที่เข้าอยู่โดยลําดับ ตั้งแต่ชานที่หนึ่งสองสามสคือรูปปัจจานสี่รูปปัจจานสี่และก็นิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างนี้ก็เข้านิโรธสมาบัติโดยมากเหมงอนกันเรานี่มีทิพยจักษุอันหมดจดเราเป็นผู้ฉลาดในสมาธิมันประกอบในสัมมาปทานยินดีในการเจริญโพชงกิจทุกอย่างที่สาวกพึงทำเราทําเสร็จแล้วแลเนี่ยนะกิจไม่ว่าจะกิจในด้านใดๆเนี่ยนะที่ควรทําท่านทําหมดแล้ว เวนพระโลกกนาตแล้วไม่มีใครเสมอด้วยเราเราเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติได้ฌานและวิโมกเร็วพลันยินดีในการเจริญโพชงถึงที่สุดแห่งสาวกคุณเราทั้งหลายมีความเคารพในอุดมบุรุษด้วยการถูกต้องสาวกคุณด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้จิตของเราเนี่ยสงเคราะห์เพื่อนพรหมจันท ร, ร์ด้วยศรัทธาทุกเมื่อ ท่านเนี่ยมีกรุณาต่อเพื่อนพรหมจันท ร, ร์ด้วยศรัทธาจริงๆท่านประสงค์จะสงเคราะห์ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยด้วยศรัทธาจริงๆศรัทธาก็คือปรารถนาให้เขาเหล่านั้นน่ะดำรงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาดํารงอยู่ในโสดาสกทาคามี m y a n a k h a m i ท่านมีศรัทธาที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยเจริญ ง, งอกงามอย่างเต็มที่พ่ะย่ะคเรานี่มีมานะและความเขา่าความกระด้างวางเสียแล้วดุดงูถอนเขี้ยวแล้ว เหมือนโคอุสภราชถูกตัดเขาเสียแลว้วเข้าไปหาหมู่คณะด้วยความเคารพหนักคารวะอย่างหนักท่านไม่มีมานะเลยอะ่ะมานะทุกอย่างท่านละหมดความกระด้างท่านก็วางไว้หมดเหมือนงูที่ถอนเขี้ยวแล้วนะงูไม่มีเขี้ยวมันจะมีพิษอะไรเหมือนโคที่ถูกโคเขาขาดนะนะโคไม่มีเขาอ่ะนะมีแต่แรงอะ่ะแต่ไม่มีเขาเพราะฉะนั้นท่านตั้งความเคารพยำเกรงในหมู่สมณะหมู่คณะทั้งหมดนะนะ ถ้าปัญญาของเราพึงมีรูปก็พึงเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายนี้เป็นผลแห่งการชมเชยพยานเนี่ยนะสรนเสริญพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้ให้บุญอย่างมากมายมหาศาลนะนะผลที่ท่านชมเชยไว้เมื่อแสนกับที่แล้วเนี่ยทำให้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระธรรมเสนาบดีเหมือนกันนี้เป็นผลแห่งการชมเชยญาณของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนมาุมัตสี เราย่อมยังธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ศักยบุตรผู้คงที่ให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปโดยลำดับนี้เป็นผลแห่งการชมเชยพระยานบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกผู้เกียจคร้านผู้ละความเพียรผู้มีสุตตะน้อยผู้ไม่มีอาจาระอย่าได้สมาคมกับเราในที่ใดๆสักครั้งเลยะท่านภาษาดิบั้งฉลาดขนาดนั้นนะท่านก็ไม่ต้องการคนปรารถนาลามมก คนปรารถนาลามมก็คือคนที่อ้วก อ, อวดคุณที่ไม่มีอยู่ในตนผู้ไม่มีศรัทธาก็อยากให้คือโช ว, ว่าตัวเองมีศรัทธาไม่มีศีลก็โชว์ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลไม่ห่างคนนั้นได้อย่าสมาคมกับเราเลยอย่ารู้จักคนท่านนั้นเลยว่ากันพวกเกียรติคร้านพวกไม่ปรารบความเพียรพวกฟังน้อยก็เหมือนกันสุตาน้อยไม่ได้ยินได้ฟังก็อย่าคบกับท่านหรือผู้ไม่มีอาจาระคือไม่มีศีลทางกายทางวาจาเนี่ยก็อย่ามาคบหาสมาคมกับท่านเลยว่ากัน ทั้งเดียวก็ไม่ต้องว่างั้นส่วนบุคคลผู้มีปัญญามีสุตะมากมีเมตตาผู้ตั้งมั่นด้วยดีด้วยศีลทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสมะถะทางใจนะก็คือมีศรัทธาศีลสุตะจารค้าปัญญาเนี่ยนะขอจงตั้งอยู่บนกระหม่อมของเราใครมีคุณอย่างนี้อยู่บนศีรษะท่านเลยว่างั้นยกย่องเคารพมากเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมกันในสมาคมนี้ท่านทั้งหลายจงมีความปรารถนาน้อยสันโดษให้ทานทุกเมื่อให้ปรมามักน้อยกันนะคําว่ามักน้อยก็คืออย่ามากมากในปัจจัยสีแต่ว่าสแสวงหาคุณให้มากๆากนะแสวงหาคุณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ทานทุกเมื่อเราเป็นผู้ปราศจากทุลีปราศจากมนทินเพราะได้เห็นพระสัชชิก่อน ท่านพระสาวกพระนามว่าอัษฎีนั้นเป็นอาจารย์ของเราเป็นนักปราชญ์เราเป็นสาวกของท่านในวันนี้เราเป็นธรรมเสนาบดีถึงที่สุดในที่ทุกแห่งเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่ใครเรียกว่าทุกอารมณ์ท่านไม่มีกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะอยู่เลยในที่ทุกแห่งท่านพระสาวกพระนามว่าอัษฎ เป็นอาจารย์ของเราย่อมอยู่ในทิศใดเราย่อมทําท่านไว้เหนือศีรษะในทิศนั้นครูปเนนะาอาจารย์ท่านอยู่ทิศไหนท่านก็จะน้อมบูชาไปในทิศนั้นแหละพระโคโดมสักยะบุตรพุทธเจ้าทรงระลึกถึงกรรมของเราแลว้วประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์แต่งตั้งไว้เราน้อยในตําแหน่งอันเลิศเราเผากิเลสทั้งหลายได้แลว้วนะทํากิจในพุทธศาสนาเป็นต้นเสร็จแลว้ววง ทีนี้ในการต่อมาพระาศาสดาประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พระเรียเจ้าในพระวิหารเชตาวันทรงแต่งตั้งเอตทัคะคุณวิเศษนั้นนั้นแก่ภาษาวกของพระองค์แล้วก็แต่งตั้งพร ะ, พระสาริบุตรในเอตทัคะโดยความมีปัญญามากว่าดูความพิสูจนทั้งหลายสารีบุตรเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญามากของเรา น, น, นะก็เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามากจริงๆ ภาษารีบุทนั้นบรรลุถึงที่สุดแห่งสาวกบรารมีญาณอย่างนั้นแล้วดำรงอยู่ในตำแหน่งพระธรรมเสนาบดีบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงสัตว์วันหนึ่งเมื่อจะพยากรความเป็นพระรหัสโดยมุ่งจะแสดงความประพฤติของตนแก่เพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายท่านก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติของท่านนะว่าผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลสงบประงับมีสติมีความดาริชอบ ไม่ประมาทยินดีแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมะในภายในมีใจมั่นคงอย่างยิ่งอยู่ผู้เดียวยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นภิกษุก็ต้องมีศีลมีสงบประงับมีสติมีสัมมาสังกัปปะไม่ประมาทยินดีจะเฉพาะกรรมฐานที่เป็นส ม, มถะพิปัสนาเนี่ยนะมีจิตมั่นคงผู้เดียว แล้วก็มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีเนี่ยนะอย่างเงี้ยคุณธรรมของภิสุละ่ะก็ต้องมีความประพฤติลักษณะนี้จึงจะเรียกว่าพระพิสุภิษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามไม่ควรติดใจเกินไปควรเป็นผู้มีท้องพร่องมีอาหารพอประมาณมีสติอยู่การบริโภคอาหารยังอีกสี่ห้าคำจะอิ่มก็ควรงดเว้นเสีย แล้วก็ดื่มน้ําอย่างนี้ก็เป็นการสมควรเพื่อจะอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจปรารถ น, นานิพพานนะครัว่ามีใจเด็ดเดียวในที่นี้ก็คือมีใจมุ่งนิพพานนั่นเองนะ ก, ก็บริโภคแค่นี้ก็พอสมควรแล้วละ่ะถ้าปรารถ น, นานิพพานก็ถ้ามุ่งที่จะกินอย่างเดียวก็มุ่งกินมาหาพูดุทธนะจะได้นิพพานอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักคลายมาหาพูดออกซะบ้งบางว่างั้นนะก็กินให้มันน้อยหน่อยท้องพร่องเข้าไว้ว่างั้นแล้วก็ จิตก็มุ่งน้อมไปหาอสังคตาธรรมถ้ายังเพลิดเพลินในการกินอยู่ก็เท่ากับเพลิดเพลินในอะไรก็เพลิดเพลินในกายถ้าเพลิดเพลินในกายก็ต้องไปกินอย่างนี้อีกต่อไปอะนะเพราะฉะนั้นก็กินแค่พออยู่ได้ก็มีใจน้อมไปสู่พระ น, นิพพานอันหนึ่งการนุ่งห่มจีวร อ, อันเป็นกัปปิยะนับว่าเป็นประโยชน์จัดว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเนี่ยมุ่งนิพพานก็จีวรที่ได้มาโดยชอบธรรมเช่น ผ้าจีวรที่เป็นไปเก็บเศษผ้ามาม า, มาปะมนุ่งมันผมมาย้อมเป็นต้นเนี่ยนะก็เพียงพอแลว้วนะถ้าปรารถนานิพานนะ่ะการนั่งขัดสมาธิก็นับว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจมุ่งนิพานนะั่นนะก็นั่งเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วว่า ง, งั้นเถอทําทมุ่งนิพานนะ่ะภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นความสุขโดยความเป็นทุกข์พิจารณาเห็นความทุกข์โดยความเป็นลูกศอนปักอยู่ที่ร่าง ความถือมั่นว่าเป็นอัตตาในอัุุขมสุขเวทนาไม่ได้มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นจะพึงติดอยู่ในโลกอย่างใดด้วยกิเลสอะไรเนี่ยนะคือถ้าหากว่าพีจารณาเวทนาทั้งสามเนี่ยนะเห็นสุขเวทนาเป็นทุกเห็นทุกขเวทนาเหมือนกับลูกสอนเห็นความไม่เป็นอัตตาในอุเบกขาเนี่ยก็จะไม่ติดในอุปาทานขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลย แล้วก็จะไปยึดกิเลสอะไรบางั้นแล้วท่านก็กล่าวถึงตำหนิภิกษุผู้ไม่มีคุณธรรมว่าภิกษุผู้มีความปรารถนาลา ม, มกเกียรติคร้านมีความเพียรเลวทรามได้สดับน้อยไม่เอื้อเฟือ้ออย่าได้มาในสำนักของเราแม่ในการไหนๆเลยจะมีประโยชน์อะไรด้วยการให้โอวาสบุคคลเช่นนั้นในหมู่สัตว์โลกนี้นะก็ ไปสอนนายสอนคนที่มักมากคนโอ้อวดอ่ะนะเกียดคร้านไม่ความเพียรไม่อยากฟังไม่เอื้อเฟื้ออุอ้ยมาก็ไม่รู้จะมาทําอะไรนะมาก็สอนเข้าไม่ได้เพราะเขาไม่อยากรู้อ่ะนะถ้ามาเขาก็เพื่อจะเทศให้เขาฟังอะ่ะถ้าเขาไม่อยากรู้ไม่รู้จะมาทําไมพ้นอย่ามาเลยนะอยู่ที่บ้านอะ่ะดีแล้วว่าไงั้นพามาก็ไม่อยากฟังอยู่แล้วว่าไ ง, ง